ก้าวล่วงความผูกพันกับผลสำเร็จเหล่านั้นไปได้ก่อนจึงจะบรรลุนิพพานได้อย่างไรก็ตามการข้ามพ้นไปได้นั่นแหละกลับเป็นส่วนเติมเต็มของความสาเร็จทางจิตหรือเป็นความพ้นไปได้ชนิดที่ช่วยทาให้สมบูรณ์ที่ว่าการข้ามพ้นไปได้เป็นส่วนเติมเต็มของความสำเร็จทางจิตนไไชนิดที่ช่วยทำให้สมบูรณ์นั้นก็เพราะหนึ่งผลสาเร็จทางจิตเท่าใดก็ตาม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 ยังจะต้องกล้าต่อไปอีกสู่ขั้นสุดท้ายคือนิพพานซึ่งเป็นปรมัถะหรือจุดหมายสูงสุดอันเป็นความสมบูรณ์ที่แท้จริง